มีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งของปูดดุลท่านกลับจากกินนิมนต์<ม>พอถึงวัดท่านก็เอ็นกายพักผ่อน <c oughs> ก็มีเนรมาช่วยนว <c oughs> ดเฟน <c oughs> ก็มีเ <c oughs> จ้าคุณท่านหนึ่งก็คงจะ มาเยี่ยมท่านนมาเยี่ยมแล้วก็ได้พูดคุยสนทนากันสบายๆหลวงปู่ท่านก็เองนกายไปก็คุยไปด้วยมีช่วงหนึ่งเจ้าขุณท่านั้นก็ถามว่าพูดถึงเรื่องของคนคนหนึ่งซึ่ง เ, เก่งเรื่องคาถาอาคม แล้วก็บอกว่าเนี่ยชาติลาเนี่ยเคยเป็นยักษ์นี่ยก็คงจะถามความเห็นหลวงปู่เนีพอท่านได้ยินท่านก็ลุกขึ้นนั่งเลยแล้วก็พูดว่าเรื่องแบบนี้ผมไม่ค่อยสนใจและท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมหรือรู้เรื่องนี้ไหม ท่านก็เล่าเนี่ยปัญจทวารวชนาจิตเคยได้ยินไหมปัญจทวารวชนาจิตคือแปลว่ากิริยาจิตที่แฝงอยู่ตามทวารทั้งห้าหรือตาหูจมูกลิ้นกายท่านก็เล่านะท่านก็อธิบายเนี่ยกิริยาจิตเนี่ยมันที่แฝงอยู่ตามทวารทั้งห้าเนี่ย พอมันเกิดการกระทบขึ้นมามันก็ทำให้เกิดสามารถจะทำให้เกิดทุกข์ได้แต่ว่าจะทำให้ไม่เกิดทุกข์ก็ได้นะเราท่านก็อธิบายเช่นเมื่อตาเห็นรูป ก, ก็รู้ว่าสวยว่างามแต่ก็หยุดเพียงแค่นั้น เมื่อหูดินเสียงก็รู้ว่เพราะไม่เพราะก็หยุดอยู่แค่นั้นนะเมื่อจมูกได้กลิ่นรูวหอมหรือเหม็นนะก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะเมื่อลิ้นได้รับรสรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยเค็มปรี้ยวเผ็ดก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะนะเมื่อกายสัมผัสกับ อารมณ์ไม่มีกายสัมผัสรว่าแข็งอ่อนนุ่มก็อยู่ยเพียงแค่นั้นแล้วท่านก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ยถ้าหากว่ามาถึงขั้นนี้เนี่ยจิต ม, มันก็ยิ้มเองนะไม่มีเรียว่าไม่มีสาเหตุไม่มีที่มาที่ไปมันยิ้มขึ้นมาเองนั่นคงหมายถึงภาวะที่ หลุดพ้นจากความทุกข์นี่ท่านก็อธิบายเพียงแค่เจ้าคุนท่านนั้ถามเรื่องยักษ์นี่ท่านก็นลุกขึ้นมาอธิบายไม่ใช่เรื่องนอกตัวไม่ใช่เรื่องใครคนนั้นคนนี้นะแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของตัวเอง มันกับจะบอกว่าไปรู้เรื่องคนอื่นก็ไม่สําคัญแต่าการรู้เรื่องเรื่องของใจตัวเองแล้วท่นก็อธิบายต่อไปนะว่าเองเมื่อเมื่อตายเห็นรูปเนี่ยมีสติรู้เต็มที่คือรู้ในอารมณ์ที่มากระทบเช่นรูปเนี่ยแล้วก็มีความรู้ตัวพร้อมเต็มที่ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะคือถ้าในความชื่มันเป็เรื่องการรู้มากนะคือพอมีการกระทบกันขึ้นมานะกระทบกับหรือว่ามีผัสสะเกิดขึ้นนะเพียงแค่รู้นะว่ารู้ในอารมณ์นั้นนะ ไม่ว่าจะมาไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้แล้วหยุดหยุดเพียงแค่นั้นไม่ปรุงไม่แต่งไม่ไปกีญยาจิตมันทำงานต่อเนื่องไปมันก็ไม่ทุกข์หรือว่าถ้าพูดให้ให้ใกล้เคียงกับที่พวกเราคุ้นเคยคือพอตากระทบรูแล้วก็มีนะ มีสติรู้เต็มที่แล้วก็มีความรู้ตัวพร้อมมันก็ไม่เกิดทุกข์ต่อความคิดหรือทำมารมก็เหมือนกันนะทำมารมนี่ทา่านอธิบายว่าเนี่ยมันจะบางครั้งจะหยุดคิดหยุดนึกก็ไม่ได้คือจิตมันก็หําหน้าที่นี่แหละคือคิดนึกแต่ว่าพอคิดนึกไปก็ให้รู้ทัน ในความในอารมณ์ที่คิดนึกนั้นก็คงรวมถึงความรู้สึกด้วยพอรู้ทันแล้วมันก็มันก็หยุดนะมันก็ไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้ท่านก็เชื่อในความสำคัญของการรู้ทันนะไม่ใช่ว่าจะต้องไม่รับรู้อะไรเลยนะถึงจะไม่เป็นทุกข์นะ เพราะว่าไม่ไม่รับรู้อะไรมันก็ไม่ได้จรยงๆแล้วก็คือว่าเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยมันก็ก็รู้นะศักแต่ว่ารู้นะไม่ปรุงต่อแล้วก็รู้นะว่าหอมหวานมันเค็มรู้ว่าสวยไม่สวยเนะี่ยอันนี้เป็นการรู้นะใน รู้แบบสมมติคือรู้ว่าสมมติว่าเขารู้สมมติว่าอย่างนี้เรียกว่าหอมอย่างนี้เรียกว่าเหม็นอย่างนี้เรียกว่าอร่อยอย่างนี้กาไม่อร่อยแต่ว่าใจไม่ได้ยินดีลายด้วยไม่ได้ไม่ใช่ชอบใจไม่ชอบใจอันนี้เป็นการรู้สมมตินะแต่ว่าไม่ถูกสมมติ ปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมขยายความที่เพื่อเชื่อว่าท่านเน้นถึงหลักการปฏิบัตินะที่ให้ความสำคัญก็เรื่องการรู้ทันนะการรู้ทันนี่แสดงว่ามีสติมีสติเพราะสติธรรมที่ช่วยให้รู้ทันในใน ในอารมณ์นะที่มากระทบอันนี้เมื่อตายเห็นรูปแล้วมีสติเต็มที่มีความรู้ตัวพร้อมเนี่ยพอไม่เกิดทุกข์แล้วเนี่ยก็เรียกว่านักบวเนี่ยมองอะไรก็เป็นอิสระนะไอ้รูปที่เห็นนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะมีอิทธิพลนะ ต่อเราได้ความคิดนึกก็เหมือนกันนะพอรู้ทันมาแล้วมันก็มันก็หยุดอยู่แค่นั้นแหละไม่สามารถจะมีอิทธิพลต่อไปได้อ น, นี้ท่าอธิบายว่าทำให้นึกถึงที่เมื่อพูุ้ทธเจ้าตรากับท่านภหยยะนะท่านภาัยยะนี่ท่านเป็น แต่เรียกว่าเป็นนักพรตนะที่ประเภทพวกฤาษีชีพไพรนะ์ที่เคยเชื่อตัวเนี่ยเป็นอรหันต์ทีแรกก็ไม่เชื่อเนพะียงว่าประพฤติปฏิบัติตัวและคนก็นึกว่าเป็นพระอรหรันต์เราก็นับถือยกย่องพอชาวบ้านพูดไปพูดไปตัวกคล้อยตามจนทั้งเพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเทวดาเพื่อนในชาติ ก่อนนะมามาบอกว่าท่านนะ่ะไม่ใช่อรหันนะอรหันที่แท้จริงอยู่ที่สาวัสถีท่านภรยะก็ดีนะเป็นผู้ที่จิตใจมุ่งมั่นนะที่จะพ้นทุกข์พอรู้ว่ามีพระอรหันต์ที่แท้ท่านก็ตรงไปเลยนะเดินนะ เดินเป็นร้อยร้อ ย, อยโยชน์นะก็หลายร้อยกิโลนะตามที่ตามเรื่องที่เขาบันทึกเอาไว้ไม่ได้หยุดเลยนะจนไปถึงสาวัสถีตอนเช้าพระเจ้ากำลังกำลังบินธบะพญานิไฟแรงมากอยากจะรู้ธรรมก็ทูลให้พระเจ้าได้แสดงธรรม พระองค์ก็ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เวลาไม่ใช่ไม่ใช่เวลาและโอกาสนะอยู่กลางถนนเนี่ยพายะก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าพระองค์หรือว่าขบจ้าวี่จะจะตายเมื่อไหร่นะเพราะนั่นเนเมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากจะได้ยินเดี๋ยวนี้เล ย, เยพระองค์ก็ปฏิเสธถึงสามครั้ง แต่หลังจากที่พระองคุณจะเห็นว่าเออภัยเะตอนนี้นหายเหนื่อยแล้วแล้วก็ใจนี้ก็ค่อยๆสงบลงแล้วไอ ต, ตอนที่อยากจะรู้ธรรมนี่ถ้ารู้แบบแบบมีแบบอยากจะรู้มากๆนี่มันจิตมันไม่ไม่พร้อมนมันไม่เอื้อต่อการฟังธรรมเท่าไหร่มีหลายกรณีที่พระเจ้าท่านจะ นันจะไม่แสดงธรรมทันทีนะจะรอจังหวะเช่นถ้าใครที่เลยเพราะคนที่อยากจะรู้มากๆนีพวกก็จะจะประวิงเวลาไว้ก่อนจนพอเย็นแ ล, แล้วก็ค่อยแสดงธรรมกับท่านพายัก็เหมือนกันนะพอพระยาปฏิเสธสามครั้งแล้วพายัพยังยืนกรานพวกก็แสดงธรรมได้ว่าเนี่ย เมื่อตาเห็นรูปนะก็สักตะวะเห็นนะเมื่อหูได้ยินก็สักตะวะได้ยินนะเมื่อจมูกได้กลี่นก็สักตะวะได้กลี่นเมื่อรู้แจ้งในอารมณ์ก็สักตะวะรู้แจ้งในอารมณ์วิจารณ์ไม่ตัดทั้งหกเลยนะตัดแค่สี่นะสักตะวะรู้นะเมื่อ เมื่อนั้นเนี่ยตัวเธอนะจะไม่มีทั้งในโลกนี้โลกน่าละหลองโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิพพานนั่นเองท่านพญ่์ฟังพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเลยเป็นพระอรหันต์เร็วมากคุณเจ้าตัดก็ไม่ยาวเลยก็เลยชื่อว่าเป็นเอตทักคะด้านที่ตัดสรุปธรรมเร็ว คือวิชมอแสดงอนุอนอนปุพิกถาหรือว่าไม่ไม่แสดงธรรมที่ยาวอย่างอนัตตลกนาสูตร อ, อนัตตลกนาสูตรนี่ยาวจี๋นะหรือว่าธรรมจักก็แบบนี้ก็ยาวนะนพระอัญญาพระโกฏัญญฟังนะ ธรรมจักวัฒนาสูตรนี่ถ้าหึงจะบรรลุธรรมเป็นพระสวสดาบัณฑในอนตัตตลกาสูตรถึงจะได้บรรลุธรรมเป็นพระรหันต์ยาวทีเดียวแต่ว่าทิวยากับพระพิยายนิสัน้นท้งที่ก็บรรลุธรรมเป็นพระสวสดาบัณเป็นพระรหันต์แล้วก็ไปเลยจะจะไปบวช แต่ไม่มีข้าวของไม่มีอะไรเลยก็รีบไปหามาระหว่างที่เดินไปไม่กี่คงจะไม่กี่นาะทีทนั้นแหละก็โดนวัวขิดตายอันนี้ก็มันก็ร้อมันก็พองกับที่ท่านบอกบอกว่าเนี่ยอยากจะรู้ทันเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองหรือพู้เจ้าจะจะตายเมื่อไหร่ พอรู้ทาปั๊บเดียวก็ก็เมียนเป็นไปทันทีแต่แต่ว่าเนี่ยที่พระเจ้าตรัสกับท่านพญานี่ก็เมือ่อที่หลวงปู่ท่านท่านพูดนะเนมือ่อตากระทบรูปเนี่ยรู้ว่าสวยไม่สวยก็แค่มันดยุดแค่นั้นไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะรู้ แล้วก็รู้ตามบัญญัติของโลกรู้ตามสมมติว่าเออเนี่ยโลกเรียกว่าสวยโลกเรียกว่าไม่สวยอย่างนี้โลกเรียกว่าหอมนี้เราไม่หอมก็รู้แต่ว่าใจไม่ได้คล้อยตามนั่ก็บอกเนี่ยเมื่อเมื่อรับรู้ในอารมณ์ใดเนี่ยจิตก็ไม่ไปไม่ไปวิวาสต่อสู้หรือไม่เอออวย เห็นดีเห็นงามด้วยไม่วิภาวิจาร์แล้วก็ไม่ใส่ใจเท่านั้นแหละจะทำกันได้ก็ต้องอาศัยการมีสติรู้ทันเพราะเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ปรุงต่อกิริยาจิตมันก็ พิจิตรก็ทำหน้าที่รู้ทําหน้าที่ทําให้รู้อารมณ์แต่ว่ามันไม่ทํางานต่ออย่างที่สวดมาสักครู่เนี่ยพุทธภาสิทธเนี่ยจิตของเราถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปอะไรก็ปรุงแต่งให้ยินดีไล่ไม่ได้และที่จริงก็คือจิตนั้นเองก็ไม่ปรุงแต่งด้วยไม่ปรุงแต่งเป็นชอบไม่ปรุงแต่งเป็นชังไม่ปรุงแต่งเป็น ยินดียินรนะี่จิตของเราถึงได้เึ่งสภาพที่เรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ก็ปรุงแต่งไม่ได้อันนี้ก็อย่างที่หุวปูดดูลว่าเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะมีมอิทธิพลหนือจิตใจได้การมองการได้ ย, ยินการสัมผัสการรับรู้ก็เป็นไปอย่างอิสระนะ ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้นะถึงจะสงบไม่ไม่รับรู้ถึงจะไร้ทุกขนะ์รู้นะแต่ว่ามันไม่ปรุงต่ออันะที้แรกมก็รู้โดยสตินะก็คือรู้ทันมีอารมณ์อารมณ์มากระทบก็รู้ทันแล้วก็ แม้มันปรุงแต่งเป็นความพอใจไม่พอใจก็รู้รู้มันก็วางได้หรือว่ามันปรุงแต่งมาเป็นการเนี่ยวิาวาดโตแย้งกับอารมณ์ที่มากระทบก็รู้มันเออออเอย เ, เห็นดีเห็นงามกัอารมณ์จนเกิดความพอใจก็รู้มันก็หยุดแต่ต่อไปมันก็มีปัญญามีปัญญาเห็นนะโอ ไอ้สัน่นคนี้ก็มัน ก, นก็สักแต่ว่าไอ้ที่ว่าสวยว่างามนี่มันก็มันเป็นแค่สมมุติเท่านั้นแหละไอ้ที่ว่าอร่อยแม่อร่อยก็เป็นสมมตินะเพราะว่ามีปัญญาเข้าใจธรรมปรมยนะก็ไม่ได้เห็นว่าไอ้ทิ่งสิ่งที่สวยนั้นเป็นเรื่องที่น่าน่าได้น่าเอา ไอสิ่งที่เหม็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าผักใสมันเป็นแค่สมมตุตนะิอันนี้เราว่าเห็นด้วยปัญญาคือเข้าถึงเรื่องปรมัติตมันก็ไม่เกิดความพอใจไม่พอใจอยากได้ไม่อยากได้หรือว่าที่ท่นใจ้คำว่ามันวิวาโตแยง้งหรือว่าเออออเอออวยเห็นดียิ่งงามด้วยมันก็ไม่ ก็เห็นทุกอย่างก็มีสักดิ์เป็นค่าเสมอการคือเห็นถึงคัานว่ามันมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นเมื่อนั้นย่อมเหนืยนานในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานจะทำหมดจดเมื่อใด้บุคคลเห็นด้วยปัญญาคือเห็นมันมีสองอย่างเห็นด้วยสตินะ หรือว่ารู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญามันก็รู้คนละแบบนะแต่มันก็รู้เหมือนกันเขามารู้ในพุทธศาสนามันก็รู้ในในหลายระดับนะเช่นถ้ารู้ในอารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็เรียกว่าธรรมชาตรู้แจ้งอารมณ์หรือรู้อารมณ์ตากระทบรูปหูดินเสียงแล้ววิญญาณไปรับรู้ ก็จะเกิดการรับรู้ขึ้นมาว่าอ๋อคือเกิดการเห็นขึ้นมาสิ่งที่มันกระทบทางตาเนี่ยมันไม่ได้ว่าตาวิญญาณจะรับรู้หมดนะหรือว่าจะเกิดความรู้ตัวหมดตอนนี้วิทยาศาสตร์เขาเนี่ยก็าเขาเขาพัฒนาถึงขัง้นที่รู้ว่าเวลาเวลาเร า, เรามองเนี่ย ไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆเป็นร้อยเป็นพันเข้าสู่เข้าสู่อะไรนะเรื่องมากระทบมากระทบจอเรตินา่าแต่ว่ามีแค่หกอย่างเท่านั้นนะที่เราจะเห็นหรือว่ารับรู้ได้ในแต่ละขนาดแต่ละขนาดอย่างเช่นเรามองไปตรงนี้ก็คือมีแสงไฟสว่างเนี่ย มันจะมีมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปรากฏสู่การรับรู้ของเราหรือว่าจะพูดง่ายๆคือเราจะเห็นอะไรต่ออะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้กินมีแค่ไม่กี่อย่างเขาก็ว่าประมาณสักหกอย่างในแต่ละขนาดแต่ละขณะเช่นถ้าเรามองพื้นเนี่ยก็จะเห็น อาจจะเห็นสีเห็นตะปูแต่ไม่เห็นรายละเอียดจนกว่าเราจะมองละเอียดจริงๆก็จะเห็นรอยขีดข่วนจะเห็นเห็นขีดทุกแกต้องจดจอถึงจะเห็นขีดทุกแก่หรือจะเห็นรอยตะปูบ้างแต่ถ้ามองผ่านๆก็จะไม่เห็นอะไรเลยก็จะเห็นแค่พื้นกระดานแล้วก็สี แล้วก็คนน่อันนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่มันสิ่งที่มากระทบทางตาเนี่ยรูปที่กระทบตาเนี่ยมันมีเยอะแยะหมดในแต่ละขนาดแต่ละขนาแต่ว่าวิญญาณคือการรับรู้จะเกิดขึ้นไดน้แต่การรับรู้เนี่ยมันก็จะรู้เพียงแค่ไม่กี่อย่าง mm hmm. เท่านั้นแหละเช่นในกัเสียงเยเสียงที่เข้ามากระทบ ครูแล้วนี่มีเยอะแต่เราจะรับรู้เสียงได้ก็ไม่กี่เสียงเป็นแต่ใส่ใจจริงๆก็จะได้เป็นเสียงอื่นที่นอกจากเสียงคนเสียงจิงหรีกอันนี้เรารู้อารมณ์นะการรู้อารมณ์เนี่ยอันนี้เป็นนันเป็นงานของวิญญาณ แล้วก็รู้ทันความคิดนึกนะอันนี้ก็เป็นงานสติรวมทั้งระลึกรู้ระลึกได้ในเรื่องในสิ่งที่เก็บไว้ในความทรงจำอันนี้ก็เป็นเรื่องสติซึ่งเราใช้ตลอดเวลาเช่นพอพอบรรยายจบพอทาวัดจบเราก็ ก็รู้หรือจำได้ว่าเข้ามาทางไหนแล้วจะออกไปทางไห น, นแล้วก็จะไปเอาบาทรวางไว้ตรงไหนก็จาได้นี่เป็นงานสติต้องท้าวว่าตรงไหนก็รู้อันนี้ก็เป็นงานของสติก็เป็นการจำได้หรือเป็นการรู้แบบนี้ รู้ที่เป็นสัญญาก็ได้นะรู้ว่าเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าบ้านอย่างนี้เรียกว่ารถอย่างนี้เรียกว่าถนนรู้สถานที่เห็นสถานที่ก็จาได้แต่ถ้าคนที่เป็นอัลไซเมอร์นี่ถึงจุดหนึ่งจ็จำไม่ได้นะเคยมาเคยมาวัดบ่อยๆแต่พอมาถึงวัดนี้ นี่มันอะไรที่ไหนหรืออย่างที่นางเรื่องสตีลอลิสเนี่ยคนที่เป็นอัลไซเมอร์ทำงานที่หมาหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นอาจารย์แต่วันหนึ่งวิ่งจ็อกกิ้งไปไปที่หมาหาวิทยาลัยพอไปถึงหน้าหมาหาวิทยาลัยจำไม่ได้ว่าที่ไหนวะเนี่ยทั้งที่ไปทำงานทุกวันแต่ตอนนั้นสัญญามันเสียไปแล้ว พ่อเป็นอัลไซเมอร์ไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ไหนงงงวยหมดเลยตกใจยังมีนักพฤกษศาสตร์คนหนึ่งที่เก่งมากเรื่องดอกไม้ทั่วโลนี่รู้หมดวันหนึ่งไปไปที่หน้าบ้านเจอดอกไม้เป็นเป็นอะไรเป็นดอกไม้ยเยอะไปหมดเลย เป็นแนวเลยนะแต่ไม่รู้มันอะไรถามเพื่อนถามถามเพื่อลงงามอะไรเพื่อลงงานนี้งงเลยนะยทำไมถามอย่างนั้นเพราะอันนี้มันกุหลาบกุหลาบกุหลาบนี่มันเป็นไม้ธรรมดาแต่เจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่ามันคือกุหลาบเพราะว่าสัญญามันเสียไปแล้ว แต่เป็นท่อพักนะเพราะม่าเป็นจุดเป็นระยะแรกเรื่องของัลไซเมอร์พอเขารู้เขาก็เตรียมตัวนะเตียมตัวที่จะรับมือกับอัลไซเมอร์พอเป็นหนัหนกๆเข้าเห็นลูกจําไม่ได้วันนี้คือลูกเนะี่ยทักทายเมื่อคนแปลกหน้า น, นี่ก็เป็นเรื่องสัญญาเนี่ยคําว่ารู้กเป็นเรื่องสัญญา รู้ด้วยปัญญานี่ก็ชัดอยู่แล้วนะมันเห็นทะลุไปนะจนถึงว่าเออรู้ว่าสิ่งนั่งปูเป็นอนัตตาทำนั่งปูเป็นอนัตตาจริงเวทนาก็เป็นความรู้แบบหนึ่งนะรู้ในะช้แต่มันมเป็นความรู้สึกนะไอ้ความรู้สึกก็เป็นความรู้แบบหนึ่งแต่ว่าคนส่วนใหญ่พอ รู้สึกแล้วมันก็เช่นพอรู้เวทนามนก็ปรุงต่อไปถ้าถ้าปวดก็ไม่ชอบนะถ้าสบายก็ชอบแต่ว่าการรู้ที่สําคัญการรู้แล้วมันไม่ปรุงแต่งซึ่งอันนี้ไอ้วิธีการที่จะสร้างสติทำความรู้ตัวหรือว่าเกิดปัญญานี่ วิธีการพุทธเจ้าก็วางไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าพอลวงปูปฏิบัตินี่นะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนละหลวงปู่ดูลท่านก็พูดดีนะั่นท่านก็บอกว่าเวลามีคนมาแนะนํามาปรึกษาท่านไม่มาแนะนํามาปรึกษามาถามท่านว่ามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยปัญหาเรื่องนี้ออดปัญหาเรื่องสมาธิท่านก็จะบอกเนี่ย ประสบการณ์ของผมเนี่ยผมแก้อย่างนี้ผมทำอย่างนี้ท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะจะได้ค้นพบวิธีการของตัวเองอยนะ่ท่านก็บอกเนี่ยธรรมะเนี่ยมันเป็นของแต่ละคนนะธรรมะของพระพุทธเจ้าก็อย่างหนึง่งธรรมะของผมก็อย่างหนึง่งนะธรรมะของท่านก็อย่างหนึง่ง ทางใครทางมันหมายความว่าปัญหาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันงั้นวิธีแก้ก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ควรหาวิธีแก้ของตัวเองหลวปู่ดูนยเนี่ยท่านจะไม่บอกเนี่ยไม่ต้องทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ท่านจะไม่ค่อยพูดนะแต่ท่านจะบอกเนี่ยผมเนี่ยทําอย่างงี้มาผมเคยทําอย่างนี้ม า, ผ ม, า, มาผมแก้ปัญหาอย่างนี้ แต่ท่านจะไม่ได้บอกว่าเนี่ยคุณควรทําอย่างงี้นะโดยเอาประสบการณ์ตัวเองโดยประสบวังท่านแต่ท่านบอก เ, เอาไปพิจารณาเพื่อหาทางแก้ของตัวเองทางใครก็ทางมันไอันนี้น่าน่าสนใจมากมันก็มาก็คือว่าปัญหาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกนันทางแก้ก็แตกต่างกันไปด้วยเจ้า เอาวิธีการของคนอื่นมาใช้กับตัวเองมันก็ก็อาจจะได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นวิธีการมันจะได้ผลก็ต้องเปวิธีการที่เหมาะกับตัวเองด้วยมันไม่ใช่มีวิธีการสําเร็จรูปถึงแม้วจเจ้านี่จะตรัสเอาไว้นะว่ามีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอะไรอาริยมังยงแปนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะแต่ว่าพอลุม ป, ปฏิบัติมันมีรายละเอียดนะซึ่ง แต่และคนก็ต้องหาวิธีการของตัวเองแต่ก็อาศัยคําแนะนําครูออครบาอาจารย์ว่าคูบาจารย์ก็ดีครูเจ้าก็ดีท่านแก้ปัญหายอย่างไรแต่ถ้าจะยึดเอาตามตํำราเป๊ะ น, นี่มันก็ก็ไม่ได้นะหรือว่าจะยึดเอาวิธีการของครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็เดินแล้วก็เรียนแบบตะพึก แตพึ่งแต่พื้ก็ไม่ได้อันนี้นี่เคยผลที่ว่าเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านเวลาจะเวลาจะตอบคาถามท่านก็จะท่านก็จะไม่ท่านก็จะไม่ได้สันทงว่าท่านควรทําอย่างนี้แต่ท่านจะบอกเนี่ยผมเนี่ยมีปัญผมทําอย่างนี้มามีปัญหาที่ผมทํานี้มาผมแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ท่านก็ลองไปพิจารณาเคยได้พบวิธีการของตัวเอง อันนี้ก็เป็นไปได้วเป็นความถ่อมตนของท่านก็ได้นะที่คิดว่าที่มองว่าวิธีการท่านอาจจะไม่เหมาะกับวิธีการของคนอื่นก็ได้ยิ่งถ้าในใจ ก, ก็แสดงว่าท่านก็มีปัญญามากที่รู้ที่รู้ว่าแต่ละคนก็มีปัญหาแต่แต่ละคนแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันแล้วก็ความคุ้นเคยหรือว่าวิธีการก็น่าจะแตกต่างกันไปด้วย นั่นอ า, ามจริงทีการเส้นทางแต่ละคนนะเส้นทางในการพ้นทุนนี่มันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะที่จะต้องหาเส้นทางที่เหมาะกับตัวเองทีนะ่จริงถ้าว่าดไปมันก็เหมือนกับสไตล์นะสไตล์การวาดรูปสไตล์การเขียนสไตล์การทํางานก็มีแต่ละคนก็มีของตัวเอง จะทำให้สาเร็จได้ไม่ใช่ว่าจะมีวิธีการเดียวก็มีหลายวิธีการแม้ว่าจะมีตำรามีคำพีมากมายแต่ละคนก็ต้องรู้จักใคร่ควรได้ตัวเองก็คือต้องใช้ปัญญานะแล้วก็เอาวิธีการมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้เหมาะกับตัวเองไม้แต่ง่ายแค่การแก้ ง, ง่วงวิธีแก้ ง, ง่วง แต่เราคนก็มีวิธีไม่เหมือนกันบางคนก็จะใช้วิธีเปลี่ยนอิเลียบทบางคนก็ใช้วิธีเอาน้ำรูปหน้าอะผมนี่ก็ชอบน้ำรูปหน้างงาลูบไปเลยใช้น้ำเนี่ยช่วยได้แต่บางคนก็อาจจะใช้วิธีเปลี่ยนสถานที่หรือว่าพยายามทำอะไรให้มันแรงขึ้นหนักขึ้นแต่เราคนก็มีวิธีการตัวเอง อย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่สอนว่าทางใครทางมันอันนี้ก็ต้องก็ทำให้เราต้องใช้ปัญญาด้วยว่าเออไม่ใช่ว่ารอรอคอยคำตอบหรือรอรอคอยทางออกจากคนอื่นไม่ได้คิดเองให้บางคนบางคนไปไปเห็น ครูบาอาจารย์ก็เลยบอกอทำไมไม่ทําบบนู้ไม่ทำแบบนี้หลวงพระชาางก็เคยสงสัยนะหลวงปู่กินรีทำไมท่านไม่เดินตรงกรมทําไมท่านไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเอาแต่ทํางานเดินจงกรมได้สักพักเดี๋ยวก็ให้ไปปะชุนจีวรนแล้วเดี๋ยวก็ไปทำนู่นทํานี่ให้เรานี้เดินตรงกรมทั้งวันเลยขนาดเดินทั้งวันยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่รู้อะไรลแล้วหลวงปู่ท่านจะรู้ได้ยังไง แต่บอกว่าอยู่ไปอยู่ไปหลวงปู่ท่านรู้มากกว่าเราอีกนะให้เรานี่รู้นิดเดียวไปหลวงปรมาม์าท่านแต่นั่นก็ปุบไปแปว่าท่านอยู่เหนือท่านปฏิบัติจนจนอยู่ตัวแล้วนะจะทําอะไรก็เป็นการปฏิบัติเป็นหมดแต่ว่าสาวผู้ฝึกให ม, ม่ก็ต้องมีรูปแบบอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องมองที่ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าอาจารย์ทำอย่างไรเราก็จะทำอย่างอาจารย์บ้างหรือว่าเราทำอย่างไรอาจารย์คนรทำอย่างนั้นบ้างหรือว่าเพื่อนคนอื่นทำอย่างนั้นบ้างมันก็ต่างคนต่างก็มีวิธีการที่เหมาะของตัวเองแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบใหญ่นะก็คืออยู่ในกรอบนะศีลสมาธิปัญญาหรือว่าอาริยมรรคมีองค์แปดถ้ามันออกนอกกรอบมเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่ทางแนละ้วมันก็จะเป็น เป็นทางต่ำหรือว่าทางของกิเลสสมานก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้ปัญญาใช้สติเหมือนกันเพื่อได้ไม่หลงทางหรือว่าไม่ไม่ไม่ผิดเพี้ยนไปอ่าชั้ น, นีกแท้วนชะ่ไหกครับน